ก็ความจเจริญในธรรมจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมวพระโพธิธญาณในวันนี้จะพูดถึงการที่พระโพ ธ, ธิสัตว์ทรงพยายามในท ธ, ธิเทวะญาณทัศนะเป็นขั้นๆก็คือเรื่องของทิพยสุนันเดงจะเป็นการพยายามที่จะติดต่อกับเทวดาทั้งหลาย เราก็เป็นเรื่องของก็เรียกว่าพิญญาระดับที่เป็นโลกิยะก็รับสั่งเล่าเป็นใจความคล้ายๆกับที่เล่าให้พระอนุรุทธะกับพวกฟังซึ่งได้เคยพูดมานานแล้ว เรสั่งแล้วว่าภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การสัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้สัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปทั้งหลายจะหมายความว่าเป็นบริกรรมแห่งทิพกสุหรือจตูปปาตยานคือจตูปปาตยานเนี่ยเป็นการมองในแนวของการเกิดการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่แตกต่างกัน ในด้านต่างๆแต่ถ้าทิฏฐิจักสุมันจะมองอีกรูปหนึ่งคือมองเป็นภาพรวมๆแต่ก็ที่จริงก็เป็นเป็นยานข้อเดียวกันนะเปลี่ยงโดยใช้ในกรณีต่างกันเพราะนเวลาเราเจอคําว่าทิฏฐิจักสุก็จะไม่มีคําว่าจุตูวประพาติยานพอเราเจอคําว่ามีจุตูวประพาติยานก็จะไม่มีคําว่าทิฏฐิจักสุกเป็นยานข้อเดียวกันแต่ว่าเรียกชื่อแตกต่างกันเพราะใช้ในกรณีที่ เน้นย้ำนะฮะคือในกรณีที่เน้นย้ำไม่เหมือนกันแล้วก็รับสั่งถึงการเดินของพระไทยว่าความรู้สึกได้เกิดขึ้นแกเราว่าถ้าเราจะจําแสงสว่างได้ด้วยเห็นรูปทั้งหลายได้ด้วยคนนั้นจะเป็นย า, นาณทัศนะที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นย า, นาณทัศนะคือความรู้ความเห็นที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเมื่อความบางครั้งก็เห็นแสง จำแสงได้แต่ไม่เห็นรูปบางครั้งก็อาจจะเห็นรูปแต่ไม่เห็นแสงทีนี้ทำยังไงจะเห็นได้สองอย่างคือเป็นการแสดงให้เห็นว่าเทวดานั้นเรืองแสงปรากฏอยู่ในที่ต่างๆเป็นอันมากว่าเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในสถานที่ที่เสด็จประทับเนี่ยเทวดาจะทำา บ, บริเวณตรงนั้นให้สว่างสวยโดยรัศมีของตัวเองทีนี้ปัญหาว่าทรงเห็นเป็นแสง แต่ก็ไม่ได้เห็นรูปเทวดาคือมองอยังไม่ชัดแล้วก็มองระยะสั้นๆทีนี้ถ้าจะจำแสงสว่างได้ด้วยเราเห็นรูปได้ด้วยเนี่ยจะถือว่าญาณทัศนะมันจะสูงขึ้นหมายความว่าอาการของกิเลสอาการของนิวรณ์ก็ส ง, งบสูงขึ้นความรู้ความเห็นก็จะผุดสูงขึ้นแล้รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายโดยสมัยอื่นก็ทรงใช้ธรรมะสามข้อเหมือนเดิมนะฮะ เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่คือมีความมุ่งมั่นมีเจตจำนงที่จะสัมผัสผลติดสรงมุ่งหมายไว้ในเรื่องอะไรก็ตามนะจงใช้คําเนี่ยคําจะใช้คำสามคํานี้หยุดเลยเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วแหละอยู่เออซึ่งบางครั้งเราจะได้ยินธรรมะเหล่านี้ในนามอย่างอื่น นะเช่นเรียกว่าสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงหรือเรียกว่ า, าตาปีสัมปัญโนสติมานะฮะก็แล้วแต่จะอยู่ในที่ใดแต่วันนั้นก็คือหลักธรรมสำคัญในการมาเปเพี่ยนงทางจิตตรงนี้ถือว่าเป็นบริกรรมเพื่อที่พระจักสุตอนความมุ่งมากปรารถนาของพระองค์ก็คือต้องเห็นทั้งแสงแล้วก็เห็นทั้งรงูป ทีนี้เมื่อไม่เห็นก็ต้องเพิ่มปริมาณความเพียรขึ้นนี่คือหลักการสําคัญแต่การสําคัญในการทำงานโดยมีเหตุผลเมื่อคนต้องการผลอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่สำเร็จผลก็แสดงว่าเป็นการทําดีที่ยังไม่ถึงดีหรือทําดีที่ไม่ถูกดีหรือทําดีที่ไม่พอดีหรืออาจจะทําดีเกินดีไป แต่ตอนนี้เป็นความเพียรที่ยังหย่อนอยู่ก็แสดงว่าทาดีไม่ถึงดีทาดีไม่ถูกดีทาดีไม่พอดีมันก็ต้องเพิ่มปริมาณความไม่ประมาทได้มากยิ่งขึ้นเพิ่มความเพียรสูงขึ้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่ไม่หวาดหวัน่นไม่ทอ้ทอถอยตัวประสาอันตรายจากนั้นก็จำแสงสว่างได้แล้วก็เห็นรูปได้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ ไปอยู่ร่วมเจราจาร่วมหรือว่าโต้ตอบคือติดต่อกับเทวดายังไม่ได้เป็นการปรากฏระยะสั้นๆแล้วก็หายไประยะสั้นๆแล้วก็หายไปตรงนี้ท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าในสิ่งที่แสดงถึงก็เรียกว่าอิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์เรื่องอภินิหารอะไรต่างๆของรู้เรจาที่จึงไม่เป็นกระบวนการกเหตุผลคือถ้าเราศึกษาถึงเหตุที่ทาให้เกิดผลอย่างนั้นเนี่ย มันไม่ใช่เกิดเฉพาะพระพุทธเจ้ามันเกิดแก่คนทั้งหลายเป็นนันมากตั้งแต่พิญญาที่เป็นโลกิยะไปเนี่ยมันก็มีความรู้ระดับหนึ่งแล้วในเรื่องตรงนี้ทีนี้ปัญหาเวลานี้ว่าเราไม่สามารถปฏิบัติได้ถึงตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ยอมเชื่อผู้ที่ปฏิบัติถึงตรงนั้นเลยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเป็นกระบวนการของเหตุผลเหตุอย่างนี้ผมก็เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดแล้วทยอยกันไป ใเราสังเกตว่าเมื่อก่อนเห็นเฉพาะแสงแต่ไม่เห็นรูปก็มีปรารถนาว่าถ้าเห็นทั้งรูปทั้งแสงเนี่ยก็แสดงว่าตัวสองคือญาณทัศนะเนี่ยมันต้องแหลมคมมากยิ่งขึ้นประณีตมากยิ่งขึ้นแล้วทํำยังไงล่ะอันนั้นมันเป็นผลดันั้นก็ต้องใช้ความเพียรความไม่ประมาทแล้วก็มีตนส่งไปอยู่มีเจตนาลมมีความมุ่งมั่นที่ส่งไปอยู่จากนั้นมันก็จะเห็นทั้งแสงทั้งรูปแต่ ก็ไม่สามารถจะนั่งร่วมหรือว่าคุยร่วมหรือว่าเจรจาร่วมนะฮะโต้ตอบอะไรต่อตอะไรปัญหาต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งเราพบว่าในตอนหลังเนี่ยเช่นในเทวตาสังยุตเนี่ยพระเจ้าก็คุยกับเทวดาแต่บางทีไปคุยกันถึงพรหมโลกบางทีก็เทวดาก็มองเฝ้าแล้วก็คุยกันนานๆนะฮะบางองก็คุยกันนานๆเรื่องยาวแต่ตามปกติเทวดาจะไม่เฝ้าอยู่นาน เพราะเราจึงไม่พบอิริยาบถนั่งกระโยงประนมมือหรือนั่งพระเพียบเรียบร้อยของเทวดาแต่เคยพบเฉพาะ อ, อิริยาบถของท่านสามโ ด, ดีพรมสามโม ด, ดีพรมเวลาควาพระพุทธเจ้าในนั่งกระโยงนะฮะทำผ้าห่มเสเวงบาประนมมือประคองอัญชลีต่อพระพักพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลด้วยความเคารพมากแต่เทวดานั้นจับยืนยืนอยู่หน้าที่สุดส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลถามปัญหารุ่ยเจ้าแล้วสั่งตอบ พอจบท่านก็อันตรธานไปจากจากสถานที่นั้นอันนี้คือลักษณะของเทวดาซึ่งท่านบอกว่าโลกมนุษย์ปรากฏแก่เทวดาไม่น่าพิสมัยคือกลิ่นสกปรกคือความเหม็นในโลกมนุษย์เนี่ยกลิ่นเหม็นในโลกมนุษย์เนี่ยมันปรากฏแก่เทวดาในที่ตั้งก่อนจะเข้าสู่บรรยากาศโลกนะฮะตั้งร้อยยอดเลยเพราะงั้นทําไม่จาเป็นจริงๆเทวดาจึงไม่ปรากฏ แต่ที่เขามาเนี่ยเขามาด้วยกลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้เป็นพระโพธิสัตว์ตอนนั้นก็ปรารถนาจะพบเขาเลยก็พยายามที่จะฝึกปรือจากนั้นก็สั่งว่าความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าเราจะจำแสงแสงสว่างเป็นต้นก็ได้ด้วย ตลอดตั้งการโต้ตอบร่วมกับเทวดาเหล่านั้นก็ได้ด้วยข้อนั้นจักมียาณทัศนะที่บริสุทธิ์จริงขึ้นคือไต้บันไดขึ้นไปเป็นขั้นๆคือจาแสงได้ด้วยแล้วก็ก็ตอบคือคุยกับเทวดาได้ถ้าถึงขั้นนั้นจิตมันต้องประนีตขึ้นมันก็ต้องเพิ่มตัวความเพียรตัวความไม่ประมาทแล้วก็เจตจำนงพยายามปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่ง ญาณทัศนะของโปร่งก็บริสุทธิ์ขึ้นแต่ไม่จะสมบูรณ์นะฮะหมายความบริสุทธิ์ขึ้นเพราะพวกนี้ระดับโลกิยะเนี่ยมันมีความประณี่แตกต่างกันเยอะเลยการเช่นสมมติระลึกชาติได้เนี่ยตึงเป็นญาณข้อแรกระลึกชาติได้ระลึกได้มากน้อยไม่เหมือนกันก็หมายถึงว่าปริมาณแสงสว่างของญาณที่ท่านไดส้สัมผัสเนี่ยไม่ไม่เท่ากัน ก็ทํานองคล้ายๆก็ถือไฟฉายกันคนละบอกแล้วก็แสงแสงส่องไปได้มากน้อยแตกต่างกันเพราะว่าฐานก็ไม่เท่ากันบอกฝ่ไฟฉายก็ไม่เท่ากันและรับสั่งว่าโดยสมัยอื่นเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนสุขไปอยู่ก็ได้ตอบกับเทวดาเหล่านั้นด้วยแล้วก็แต่ไม่รู้คุยกันได้แต่ไม่รู้ว่าเทวดานี้เป็นใครเป็นใครมาจากไหน ซึ่งเรื่องเรื่องนี้ถือว่าเป็นความรู้อีกระดับหนึ่งคือตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นพระพเจ้าแล้วนะะตอนนี้ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็จะรู้หมดหมดมันก็ไม่ได้แล้วคือจะรู้ทันทีเลยเวลาสัมผัสกับอะไรก็ตามจะรู้ทันทีเคยมีคนมาทดลองพระพุทธเจ้าจะมีความรู้ไหมในเรื่องเหล่านี้เคยมี พวกนักบวชนอกศาสนาพวกอาชีวกนะฮะคือโยมูปะทาของแกเนี่ยต้องการแจกเฝ้าพระพุทธเจ้าแกก็กีดกันไว้ไม่ยอมให้เฝ้าก็าอ้างใส่ร้ายพระพุทธเจ้าสารพัดเลยโยงกว่า น, นั้นก็ตกลงทรงลูกชายให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันทิบ้านก็ได้แต่ข่าวนะยังไม่เคยเข้าเฝ้า อาชีวะก็ไปห้ามลูกชายลูกชายบอกว่าไม่ได้หรอกไปเดี๋ยวแม่ดูเอาแกก็ขอร้องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนิ่หมดแล้วคุณอย่าบอกว่าบ้านอยู่ตรงไหนดูสิอย่ามาไม่ถูกเองอปรากฏว่าเด็กคนนั้นทําตามได้นะขนาดนั้นนี่ทําตามได้แต่ลูกนิชาพระเจ้าก็เสด็จ์มหถูกโดยไม่ได้รับสั่งถามอะไรเลยตรงนี้มีปัญหาที่ว่าคุยกันได้โตตอบกันได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร ไม่รู้ว่เทวดากนนี้เป็นใครแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่างอย่างที่รับสั่งเล่าวที่กษัตริย์กษัตริย์ดิฉวินาะว่ามาลิกกระทุนถามถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงเท่าส ก, กัดเท่าสกัดเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้จักเท่าส ก, กัดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องนิทานเฉยเป็นเรื่องเล่าสู่กันฝังเฉยพระพเจ้าเคยเห็นไหมเคยคุยไ้ยเคยสนทนากันไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งหมดเนี่ย เคยสัมผัสมาแล้วแล้วไม่ใช่ว่ารู้เฉพาะเท่านั้นนะรู้ว่าท่าสกะก่อนจะมาเป็นท่าสกะนี้เป็นใครด้วยนั้นตอนนั้นเป็นพระพุทธเจา้าแล้วตอนนี้ยังไม่เป็นยังไม่เป็นเห็นว่าความรู้มันก็ถูกจํากัดลงด้วยกําลังของยาลัทัศนะเหมือนกับภาพทั้งหลายจะปรากฏแกจกักษุของเราได้ก็ถูกจํากัดด้วยแสงสว่างไปบานแสงสว่างก็ส่องไปถึงไหนล่ะ ถ้าส่องไปมากเราก็จะชัดชั ด, ชดเจนมากถ้าส่องไปน้อยมันก็จะชัดเจนได้น้อยดังนั้นจึงไม่สามารถจะทราบว่าเทพเหล่าเนี่ยมาจากสวรรค์ชั้นไหนมาจากพภูมโลกชั้นไหนก็เกิดคิดใหม่คือหมายความว่าชั้นท่าเราจะเห็นลักษณะอิติบาทฉั้นท่าวิริยะจิตตวิมังสานี่ก็จะเดินครับเลยก็บอกว่า ถ้าเราจะจำแสงสว่างเป็นต้นก็ได้ตลอดถึงการรู้ได้ว่าเทวดาเหล่านั้นมาจากเทคนิการนั้นๆด้วยแล้วเนี่ยญาณทัศนะต้องบริสุทธิ์ขึ้นกว่าเดิมหมายความว่าปริมาณแสงสว่างเนี่ยต้องมากเพิ่มปริมาณขึ้นแต่ทำอย่างไรตัวนี้มันเป็นผลเมื่อเกิดมาจากเขตในที่สุดก็ใช้ความไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปเหมือนเดิมนะฮะเพียงแต่ว่าเพิ่มในที่สุดก็รู้ว่าเทวดาเหล่านี้นมาจากเทคนิการนั้นๆ แต่ไม่รู้ว่าต่อไปในเทวดาเหล่านี้จะไปเกิดในที่ไหนพระเจ้าทรงรู้โดยละเอียดทนระงบอกกล่าวเอาไว้ประคนนั้นต่อไปจะตายไปอย่างนั้นจะไปเกิดในที่นั้นที่นั้นคือตรงนี้เขาเรียกว่าอนาคตังสยานยานที่รู้ไปสู่อนาคตการที่นานไกลนะเรื่องบางเรื่องที่เราพูดว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญกลอนเช่นพูดถึงทานายปฐวณพระยาประสิินิกรสนิบข้อนะ ก็เป็นการทํานายแบบอนาคตังสยานยานที่รั้วนาคตอย่างพวกพระอาราหันต์ทั้งหลายที่ท่านแต่คัดสรรบุคคลมาเป็นประธานในการทําสังคารนาเนี่ยเราเจะเห็นว่าอย่างน้อยนี่มีเทพเจ้าสามองค์ที่ได้รับการอัญเชิญมาเทพบุตรฮะเทพประวนะผู้ใหญ่สามองค์แล้วก็รับการอัญเชิญมาจากพระหันทั้งหลายให้ลงมา แก้ปัญหาให้แก่ศาสนาเพราะว่าท่านเหล่านั้นเองก็จะอยู่ไม่ถึงวันนั้นและถ้าโลกปกติเนี่ยจะไม่มีคนซึ่งมีศักยภาพที่จะแก้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นแก่ศา ส, าสนาได้เพราะนั้นพระเถระที่ทําสังกายนาครั้งที่สองก็ไปอัญเชิญติสสาเทพบุตรจุติมาจากสวรรค์เพื่อมาเกิดเป็นโ ม, ค, ค, นม ค, คันรมโมฆันลีบุตรและต่อจากนั้นอีกเท่าไหร่ล่ะสองร้อยปีนะฮะ พระหันตั้งหลายก็ไปเชิญมหาเสนเทพบุะวดจุติมาเป็นนาคเกษณเพื่อแก้ปัญหาพยามิลินแล้วก็แม้แต่พระอุปคุดที่เราพูดนะฮะพระอุปคุดนั้นในตำนานเขาเราเรียกว่าอินทคุดแต่ว่าที่เราเรียกอุปคุดเนี่ยมันเป็นคําในภาษาสันสกฤตคือมาจากสันสกฤตตัวแสดงว่าท่านก็เล่าในทํานองว่า พระอรหันต์เป็นชฉดมาเหมือนกันเพราะว่าประยะาิยมานจะมาเป็นอุปสรรคกัดขวางในการทำสังฆทานต้องอาศัยพระเทระที่มีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ที่กำราบปริยะมานให้ได้แต่ไม่งั้นการทั้งการนาก็ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องเหล่านี้ที่จึงเป็นเรื่องน่าศึกษานะคือแสดงว่าโลกมีอะไรที่ลี้ลับมหาศาลอยู่อีกเยอะที่อยู่เบื้องหลังของเหตุผลต่างๆทําให้กระแสะความเชื่อตรงนี้ยที่เราเชื่อกัน เราเชื่อกันว่าพระเจ้าตากสินก็ดีพระนเรศวรก็ดีนั้นเป็นมหาศัติ์เทพซึ่งจุติมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ชาติปันหมืองเป็นหมหาเทพที่เขาเชิญลงมาจุติเพื่อช่วยชาติปันหมืองแล้วเมื่อท่านเสร็จภารกิจท่านก็กลับมหา ว, าวารุณในลักษณะ น, น, นี้พระชันษาจะไม่ก้อยืนจึงก็เป็นเรื่องน่าคิดนะฮะเดี๋ว่าจะต้องศึกษาอีกเยอะว่าก็ติจริงเป็นยังไง ทีนี้การจะเข้าใจได้ตลอดแต่มันต้องผ่านการฝึกปลือระดับจนได้ญาณที่เป็นอนาคตังสยานจะเห็นว่ามองนี้ค่ําค่ําไปเยอะเลยนะฮะคือแทนที่จะมองว่าจะมีอายุอยู่ในสวรรค์อีกกี่ปีแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่เอาคือไม่ได้มองที่ตัวอายุว่ามีเท่าไหร่จะว่าเทาเ่านั้นเคลื่อนจะโลกนี้ไปอุบัติในโลกนั้นๆด้วยวิบากแห่งกรรมอย่างไรเห็นว่ามันซ้อนกันอยู่แล้ใช้ใช้ใช้ตรงเนี้ยใช้ ใช้สองลักษณะแหละทีนี้การที่เทพองค์หนึ่งจุติแล้วก็ไปตายเนี่ยเป็นที่พระจักรสุเห็นแต่ว่าตายเพราะก ร, รมอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจุตัปวประารยาดพวกนี้เวลาเรียกเนี่ยคงจะเรียกในชื่อเดียวนะฮะแต่ลักษณะงานในเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนว่าบางจะต่างกันมันก็คล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับเราเขียนภาษาภาษาไทยแล้วก็ ต้องการวงเล็บในภาษาอังกฤษมันเกิดจากความรู้คนละสายกันที่เขียนภาษาไทยก็ความรู้เรื่องภาษาไทยที่เขียนภาษาอังกฤษก็ความรู้ที่เราศึกษามาเรื่องภาษาอังกฤษเรามาใช้ผสมกันเพราะพระญาณในลักษณะ น, นี้มันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือว่าการรู้ถึงเหตุที่ให้คนไปเกิดประสบสุขประสบทุกข์ตามกำลังของกรรมนั้นเป็นอาการของจิตูปปาตญาณ คือยานที่รู้จุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและตรงเนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความมีอยู่ของสังสารวัฏอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์ตอนนี้ได้บรรลุปุเพนิวาสานุัวอย่าณแล้วระดับหนึ่งนะไม่ใช่ระดับสมบูรณ์คือพูดระดับโลกิยะตอนนี้อยู่ระดับโลกียะแต่อย่าลืมว่าระดับโลกิยะเนี่ยมันมีอภิญญาก็ห้านะฮะอภิญญาก็มีหกระดับโลกิยะก็มีครบทั้งห้าแสดงว่าก่อนที่จะสัตรู้นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว คือเหนือกว่าคณอาจารย์เจ้าลทัทธิในยุคนั้นจำไปเพราะวพัฒนาการทางจิตมันเข้ามาสู่กระแสของยานแล้วแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเทียบกับคณาจารย์เจ้าลทัทธิในสมัยนั้นหรือแม้จะเทียบกับตัวเราเนี่ยเราก็ห่างไปริบโลกเลยเนะี่ยก็รับรับสั่งล่าว่าคือต้องการเพิ่งขึ้นนะ่ะหมายความว่มาต้องการความต้องการรายละเอียดมากยิ่งขึ้นในเรื่องเดียวกันนั่นแหละ แล้วก็ทรงคิดต่อไปว่าถ้าเราจะจําแสงสว่างเป็นต้นก็ได้ตลอดถึงรู้ได้ด้วยว่าเทวดาเหล่านั้นเคลื่อนจากโลกนี้ไปอุบัติในโลกนั้นได้โดวยวิบากของกรรมอย่างนี้อย่างนี้แล้วข้อนั้นจะเป็นญ า, นาณาทัศน์ที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นของเราจากนั้นก็เพิ่มเพิ่มธรรมะอีกล่ะก็ก็ดูแล้วคล้ายๆกะ <c oughs> ขับรถนะ น, นะหรือว่าต้องการจะ พบตรงนั้นก็ต้องขับรถประยะหนึ่งเอาต้องการจะไปตรงนั้นก็ต้องเพิ่มอีกระยะหนึ่งเร่งความเร็วไปเรืเร่อยๆก็ธรรมะเหมือนเดิมไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอะอยู่จากนั้นก็ทําให้รู้ว่าเทวดาเหล่านี้เหล่านี้เคลื่อนจากโลกนี้ไปอุบัติในโลกนั้นได้ด้วยวิบากของกรรมอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าเทวดาเหล่านี้เหล่านี้มีอาหารอย่างนี้ มีปกติสวย ส, สุขและทุกอย่างนี้เทวดาเหล่านี้มีอายุยืนอย่างนี้ตั้งอยู่ได้นานทางนี้นั่นคือลักษณะของอนาคตังสยานมันรู้ละเอียดเลยอธิบายละเอียดเป็นความรู้ระดับญาณไม่ใช่เป็นความรู้ระดับนึกดาวอากเราก็ต้องใช้ความเชื่อแต่นั้นเองเพราะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พระยะบุคคลทั้งหลายเกิดขึ้นแก่ท่านที่ได้ อภิญญาทั้งหลายเพี่ยนแต่ว่าท่านที่ได้ปัญญานั้นไม่ตลอดหมายความว่าถ้าท่านระลึกไปไกลๆถึงจุดหนึ่งก็ก็สะดุดเลยเดินไปไม่ได้แต่ว่าแมา้ต้องระลึกโยอเหมือนกันนะถ้านับเป็นอะไรละ่ะเป็นกับกั น, กนๆเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ตลอดมองไม่ตลอดเราทาให้เห็นว่ามีอายุเท่าไรมีอาหารเท่าไรมีความสุขความทุกข์ยังไงในสวรรค์ชั้นนั้นๆเนี่นนะ แต่นั้นก็เพิ่มญาณทัศนะขึ้นโดยอาศัยความไม่ประมาทมีความเพียรมีตรงส่งไปแล้วอะไอยู่ในที่สุดก็รู้ตลอดถึงข้อว่าเราเคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้หรือไม่อเพราเทวดาเหล่านี้คือคืออย่างที่บอกว่าที่พระเจ้าส่งแสดงว่าในแง่ของสังสารวัฏที่มันนานหรือเกิดไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดร่วมกันเพียงแต่ว่าเกิดร่วมกันในฐานะอะไรเทกนั้นเอง แต่ละตัวคนก็ เ, เกิดร่วมกันมาในริตรการที่นานไกลนะฮะแต่ละคนก็เคยเกิดร่วมกันมาก็ส่งแสดงว่าเทวดาเหล่าเนี้ยมายชาติก่อนเนี่ยเคยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายกันหรือไม่นะครคือคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเยอะที่เทวดาที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลมาให้สติสเตังสตางอะไรต่อไรเนี่ย มันก็ใกล้ๆกับเปรตนางวันทองที่มาห้ามพระวัยไม่ให้ไปทับอะไรเนี่ยนะลักษณะเหล่านี้มันก็มีอยู่แต่ว่าเป็นสมบัติตรงของคนเหล่านั้นถ้าเราศึกษาในเรื่องที่โรคช ง, งนโรคทึ่งโรคอัศจรรย์ทั้งหลายนี่มันจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้อยู่อะอย่างพระเจ้าพิมพิสารท่านที่วงโทษแล้วไปบังเกิดใน สวรรค์ชั้นจ่าตุมาไาชื่อชนะวัสภะและเป็นยักษ์ด้วยนะเป็นบริวารของเทวกุเวนเทเวสวุวรรณก็มาพ้าวพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งถามทําไมไปเกิดที่นั่นทําไมคือว่าท่านเองสามารถจะเลือกเกิดที่ไหนก็ได้นะพระโสะดาบันเนี่ยเหมือนกัเศรษฐีอ่ะคือจะพักจะพักโรงแรมไหนก็ได้จะซื้อของอะไรกินก็ได้แต่ทําไมให้ไปเกิดที่ี่นิดเดียวต่านก็บอกว่า แต่ที่นั้นเนี่ยมันมีเพื่อนฝูงซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมามากแล้วเขาเองก็ต้องการให้ไปอยู่ด้วยกันและท่านเองก็ต้องการจะไปอยู่ร่วมกับเขาเพราะว่าเป็นสหายที่รู้ใจกันมาก็เลยไปเกิดที่สวรรค์ชั้นต่ำพราะนั้นเไม่เป็นพระยาบุคคลนะนะแต่ท่านเป็นพระยาบุคคลก็เลยไปอยู่กับเขาก็ดีฮะแต่หมายความว่าไปสัมผัสชีวิตเพื่อน ซึ่งมีภูมิจิตต่ํากว่าเขาจะมีโอกาสที่แจ้งแนะนําอะไรสั่งสอนให้แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่วิมานวัตถุนะครั พ, พระพระโมกคัลานะตอนไปสวรรค์แล้วก็ไปเจอกเทพุตเบุตรเถบุตรก็เห็นภิกษุก็เอ๊ะมีภิกษุมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกเลยก็บอกว่าแล้วก็สอบถามพระพุทธเจ้าเป็นใคร แ, แต่โอ้ นี่ไปเกิดแล้วหรือเป็นกองเมื่อก่อนเป็นเพื่อนกับเราอยู่ที่นี่เองอนี่เราจะเห็นว่าเทวดายังไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าหมุนวนมาเกิดอยู่แล้วก็เนี้ยมันเป็นเคยเป็นสหายเป็นมิตรเป็นสหายกันเพราะงั้นเจก็มีพระประสงค์จะรู้จักนะว่าคนเราเนี้ยเคยอยู่ร่วมกันมาหรือไม่ในชาติปังก่อนก็เป็นเรื่องของทิพยจักสุแล้วก็อยู่ตูวปรภัยตยานในขณะเดียวกันก็มีอนาคตกับตังสยานด้วย ปัญญาที่กำหนดรู้ต่อไปในอนาคตและตัว น, นี้อดีตแล้วนะฮะอดีตเป็นนาฏีตังสยานปัญญาที่ย้อนกลับพอไปสู่อดีตมันก็เหมือนแแ้แค่เรามีแสงสว่างไงนะคือเราเหียงไปได้รอบทิศอ่ะแต่ว่าให้มีก็แล้วกันอยู่ภายฉายเราก็ส่องไม่ได้รอบทิศญาณที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลที่ได้ตั้งแต่ปัญญาขึ้นไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าอสมรรถภาพของญาณไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง